ติกผู้สอนกรงการห้าร้อยสผมได้มารวมในงานที่เพื่อนที่ศึกามเนรที่กำลังอุ่นลมนิศึกษาปฏิบัติธรรมในขณะนี้ผมจะเล่าประวัติเรื่องความเป็นมาอดตเฉพาะของผมครับ แต่ว่าผมคนอื่นนั้นจะเป็นอย่างไรผมไม่โฮกับไม่เข้าใจผมไปปฏิบัติธรรมะผมนี้ไม่โล่เอ่ห ส, สิ่งที่ผมรู้ก็มีมีมากครับเอ่งที่ผมไม่รู้ก็มี ค, คือผมไม่รู้เรื่องนิพจน์ตอนที่ผมรู้ธรรมะไม่ไมนี่ครับผมไม่รู้เรื่องนิพจน์ครับผมเป็นนิพจน์ผมเป็นปนิพจ น, น์ตั้งแต่เฝ้าๆครับจม นรงที่ผมอยังรู้พิจาสนูนี่มันอยากหอกมาไป็นสอบเราจิตใจใบหนึ่งมันไม่อ่อนโยนครับจิตใจมันเข้มแข็งจิตใจมันรู้ถ้ามันรู้มันแก้ทุบข์ได้ครับแก้ทุกได้น้อยเนี่ว่าปัญญาเกิดขึ้นทีแรกที่สุดแล้มันเกิดที่พิจารพอดีปัญญาที่มันเกิดขึ้นนั้นคือผมรู้เรื่องรูปน้ําเรื่องผีเรื่องเทวดาเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ เรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องทุกขังอันนี้จังอนาคตเรื่องศาสนาเรื่องพุทธาศาสนาเนี่ผมหมดจริงๆครับผมไม่มีทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้เมื่อมันรู้อย่างนี้คือมันมันเกิดข่มรู้สนิดนู้ผมเลยไปภูมิใจกับข่มรู้ที่มันเกิดขึ้นมานั้นครับผมก็เลยไปเกิดพอใจข่มรู้อันนั้นเมื่อผมพอใจในข่มรู้อันนั้นมันก็จะพาผมรู้คิดไปลอยอันพันอย่างลอยแปดพันประการมันรู้ทุกสิ่งทุกอย่างครับผมก็เลยภูมิใจดีใจกับว่าได้ ภูมใจก็ว่าได้เลือปีติดก็ว่าได้ครับมันรู้อย่างนั้นหรอครับอันนี้เนี่ผมรู้รู้ก็เลยติดอยู่ผมรู้อันนั้นเหมือนกันกับที่ว่ามีสิ่งที่สกปรกมาติดเมื่อติดตัวเราเราเลยไม่รู้เราเลยไม่เห็นสิ่งที่สุขปรกเหล่านั้นเราก็เลยล้างไม่เป็นครับเอาว่าล้างไม่เป็นนี่คือบ่หเห็นความคิดครับมันรู้มันบุเห็นความคิดมันเข้าไปในความคิดอันความคิดเหล่านี้ครับมันคิดเข้ามาแล้วห่อเข้าไปในความคิด มันก็เลยออกจากความคิดโมได้เมื่อออกจากความคิดมาได้มันก็เลยพาเราลู่ไปครับอันนี้เป็นวิปัสสนูครับอันนี้วิปัสสนูวิธีที่แก่นั้นผมมันงมาเห็นผมคิดเมื่อมันคิดปุ๊บผมเห็นปับ๊บมันคิดปุ๊บเห็นปับ๊บมันคิดปุ๊บเห็นปับ๊บอย่างนี้ครัอันนี้ปัสสนูก็ค่อยลดไปลดไปจนลูนีมันก็เลยค่อยหมดไปหมดไปครับอันนี้เป็นวิธีปฏิบัติอย่างไง่ายครับ mm hmm. ขอตัวให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายฟังอีกเพื่อเดนหนึ่งครับ เคยพิธีเป็นที่ปัสสนาครับแต่ห้ามไราได้หรือบางคนอาจจะห้ามได้ก็ได้แต่ทุกคนต้องเป็นผมเข้าใจแนี่ยผมเคยสอนกันมาหลายคนครับทุกคนต้องเป็นครับบ่มากกันน้อยครับแล้วแต่บุคคลที่จะเป็นน้อยเป็นมากกันเป็นว่าเป็นหลายพอดีมันเป็นี่ปัสสนาเนะครับอย่าไปห้ามมาเลยผมคิดถ้าไปห้ามเนี่ยมันจะเ่ิดอุดอัดจิตใจครับมันจะอยากหนีทันทีให้มันเต็มยกกำลังสร้างมันครับ แต่หาผู้ที่เป็นครูเป็นอาจารย์ผู้ที่สอนขาเจ้านี่ยปล่อยมันเป็นแต่หาต้องไปรักษาบนนี้ไปรักษาไปอื้มไปจับกันในบนนี้คือไปรักษาคือย้ายมันคิดออกไปนอกแนวคิดการสร้างนั้นต้องบอกกันแต่ว่าคิดล้ก็แล้วไปย่าไปสนใจของผมคิดผมคิดน้ำยางมากบวเกินห้ามือครับผมเคยสอนมาครัผมคิดนั่นจะลดลงลดลงลดลงมันกระเลยเป็นปกปติครับเมื่อไม่เป็นปกติเราหามาแนะนั้นข้าเจ้าเบิกผมคิดดีครับ ให้เข้าใจว่าวิปัสสนูมันลดน้อยลงไปแล้วมันก็มีทิฏฐิข่าวกําลังมันเป็นวิปัสสนูอยู่ทั้งหลายจิตวิวให้มันฟังมันวกฟังนีะครับมันทีเอาจะอํานาจของมันเพราะว่าทิฏฐิอันนี้มันมีมารณ์วิปัสสนูจึงมีมารณ์มีทิฏฐิกล้าแข็งจิตใจมันเบาอ่อนโยนจิตใจมันก้าแข็งมันสามารถถกเถียงได้เมืมันเป็นอย่างไรดังนั้นผมเป็นมาแล้วครับเป็คนเป็นวิปัสสนูจึงบุคคลจับวิปัสสนูครับ ผมในขณะดผมเป็นนะผมบุู้้ขาจับแทๆ้ๆผมอุปหมายสังเมื่อกับคนกินเลานะ้าหน่อยกินเล้าได้มันเมาแล้วไปวาา่าวนี่อย่าต้กินเท่าเมาแ ล, แ, ลแล้วเล้าเนียวเลยคนที่เมาเาล้าน่ง <c oughs> บ, บ, บ, บ, บ, บ, บ, บ่ เ, า ม, าเมาบ่เมากูบ่เมาหรือใครบ่เมาหรือผมบ่เมาเอาม่ให้กินยิ่งกินก็ยิ่งเมาครับมันเป็นอย่างเช่นกับดนรีประสานนี่เราเล่ยบ่ต้องห้ามมันให้มันเป็นเสียงมชาตแล้วเขาพย า, ายามบอกมันให้มันเฮ็ุจังหวะเข้าเดินจังหวะเข้าไป หรืมันบอให้จังหวะ ก, ก, ก็ได้บอกโดยรวมก็ได้ใจเขาค่อยๆมั่นพูดมันคุยไปแต่บางเือนเอาขมวดน่ะหมาอ้วดเขาตัวากระชางมันเขาจะไปถือฟ้าเพราะเขาฮู้แล้วเี่ยครับจึงไปสอนเขาเขาบอกเขาจะไปสอนเขาเจ้าได้บอกเขามันต้องฮู้แท้ๆได้ครับเรื่องนี้ครับ <c oughs> ผมจึงสามารถแก้ดีปัจจุบได้ผมมองว่าจากผมคิดผมก็เลยแก้ได้อันนี้เรื่องวิปจัจสนบครับให้เขาผู้จักคนเป็นี้ปจัจจุบนั้นถ้าหาว่าเขาที่ไปไว้เขาเป็นถึงนะพอดีมันรูปรูปนั้นแล้วกั โดยให้มันไปเหตุการณ์ให้งานอึ้งๆคุณถามมันถามตัวเรื่องรูปนามเท่านั้นเดี๋ยวครับจะไปสนใจเรื่องผมรู้พยายามถามมันลมเราถามมันอยู่เรื่อยๆไปมันก็เลยค่อยลดลงไปไว้กับอันนี้ครับก็จากนั้นแต่ตอนรู้อันนี้เลยครับอันนี้ตอนรู้ที่ผมคิดแล้วนี่แหละเขารู้ผมคิดเขาเห็นผมคิดเขาแล้วอันนี้รู้มันคิดขึ้นมาเห็นเขารู้เขาเข้าใจมันคิดปุ๊บเห็นปั๊บหายไปเไปเท่าไรมันจะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้ผมเองอันนี้ครับ ผมเดินจมกมผมย่างว่าตั้งก็ได้ครับย่างไปคใายๆก็มีคนมาซุกผมนี่ครับแล้วคนมาถักดันผมรูปนึงผมว่าเห็นครับว่าเห็นผมคิดผมก็เคยเรื่องขอคิดผมจับเทือครับเมื่อผมรู้อยู่ไหมเทือกอีกตัวผมบอกหนูเทื่อที่สองนี่มันมาเป็นสาน้าผมคิดในผมซออผมคิดมันว่เห็นเรื่องผมคิดนี่ครับมันก็รูปเขาเป็นลางๆเทื่อที่สามนี่มันคิดว่าโอ้มันอยู่นี่เนี่ยผมคิดในผมเลยมาเบิ่งผมคิด เอาสติมาคอยดูมันคือแมวกับหนูนี่ครับหนูนี่มันมาแล้วแมวมันจะรออยู่เนี่ยบัเจนหนูมึงโดดมาโู้ที่จับมึงยั่งแรงรบแบบเดียวแมวมันคิดจังไงครพอดูหนูโดดมาปุ๊บแมวมาจับพักทันทีครับจับยั่งแรงครับหนูมันก็เลยไปโบได้ครับอันนี้ก็เอามาเบิ้งขมก็คือกันพอดีมันคิดปึกเห็นปักผมคิดมันหยุดเลยครับนี่มันรู้จักอันนี้มันเลยรู้จักสมุทามต้นเหตุกำเนิดที่เกิดของทุกครับทุกนี่มันเกิดเพราะขมคิดตัวนี้พี่ได้ครับ ตคิดนี่เป็นตทุกตัวทุกขังโตอันนี้จังโตอนัตตาอันนี้พี่ครับอันทุกขังอันนี้จังอนัตตานั้นมันจึมีหลายั้นหลายลูกครับแล้วอนัตตานะครับเป็นว่าทุกขังอันนี้จังอนัตตานั้นเป็นว่ามันบังคับบอดได้พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนผมอันนี้งเป็นว่าทุกขังผมงอกกันค่ะนั่งกับแมนอยู่ครับแค่มันโบแมนครับผมเลยว่ามันโบแมนและพวกเอื่นว่าแม่งกระทำซ้างผมผมว่าซื่อเนี่ยผมว่าตามใจผมอันนี้ครับ ตัวทุกขังโตอันนี้จังโตอนัตตาตโตอินทรียบทนั่นเนี่ยครับตัวเคลื่อนโตไหวตัวหน่งโตัวเตียงตัพัดตาโตัวหายใจโตอ้าปากตันึกตคิดนี่แหละครับเป็นตัวทุกขังเป็นตอันนี้จังเป็นโตอนัตตาเป็นอันเดียวกันมดครับอันรู้อันนึกมันรู้มดครับผมรู้จังัจครับบาดนี้ผมมาเห็นผมคิดโตัวผมคิดนี่นะมันเป็นตัวอริยศาสตร์ผมเข้าใจอย่างจครับแล้วผมมาดูผมคิดมันคิดปุ๊เห็นปั๊บมันคิดปุ๊บเห็นปั๊บยื้อเนานครับอันนี้ ว่าทันนาคล้ายๆคือผมอยู่ห้องมืดครับแับนี้ผมนึกพ่อหน้าออกไปจากที่มันแก้มครับมันเลยเห็นไปมืดแบบนี้หรืออีกในนึงคล้ายๆคือน้ําหนักของตัวผมนี่มีอยู่ร้อยกิโลครับมันพ่วงอยู่ในคอหรือในหัวใจหรือที่กระาำฟางหรอกครับมันหนักอยู่ในร้อยกิโลพอเร่ผมเบื่อผมคิดในคิดปุ๊บเห็นปั๊บคิดปุ๊บเห็นปั๊บเนี่ยคล้ายๆคือคนหนักนะมันว่าแต่ลดอย่างน้อยนี่ครับหกสิบกิโลลดไปนเบาออกไป เบาุออกไป่อย่างจีนเรือยู่พร์จกยี่สิบกิโลนี่นะครับผมเขาแก้หรือหากว่าตามใจผมจริงๆแล้วผมว่าผมเอาออกหรหดแล้วมันหลุดไปโหลดขับแปดสิบกิโลนะครับ่ า, า <c oughs> หนึ่งรอบเมี่ยมาทั้งไปแล้วมันหนักๆแั้วนะแปดสิบกิโลแล้วยังเรื อ, อยูยี่สิบกิโลนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมก็เลยรู้จักขุมเป็นพระอนิจจบุคคลขึ้นมาโหลดครับโอ้พระอนิจจบุคคลนี่มาอยู่นี่เด้เอคว่าพระนี่มันเป็นองค์ซีเมันผมได้หมายถึง ถ้าถึงเคื่องไ ม, ไม้ถึงอันนั้นแล้วมันมีเครื่องหม้เนีผมเข้าใจอย่างนั้นคือว่าผมรู้จักต้นเหตุส ม, มุทฐานที่เกิดของโทสะโมหะโลภะครับผมรู้จักอันนี้จริงๆครับเมื่อโทสะโมหะโลภะนี่ก็ะทูกลดน้อยแต่เราเบาบางลงไปเป็นอย่างไรครับเมื่อเป็นองนอนั้นแล้วอะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นี่เป็นอุนลุศีผมไม่เข้าใจอย่างนั้นครับ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 ว่มีโทสะว่ามีโมหะว่ามีโลภะหนักแล้วบัดเนี้วอนี่เทวดาพวกเขาอย่างยังไงว้มันมันผิดกันพอดีเป็นะท่านน่ะเกิดตีตีกันมาอิทุนแล้วครับเรืนี้เกิดภูมิใจบัด น, นี้ภูมิใจว่าตัวเองรู้อันนี้เห็นอันนี้ว่าตัวเองเป็นพระได้แล้วบัดเนี้อนี่ควรเป็นพระอนีตบุคคลมาอยู่นี่เด้ควรเป็นพระนี่มันไม่ได้มีเครื่องหมายที่ขันคือผู้ใหญ่บ้านกำนันคือครูคื อ, ค อ, ค อ, คอตำรวจทหารมันไม่เป็นทางซันเด้หมายถึงจิตใจพี่เด้อผมเข้าใจอย่างนั้น ไม่ทังจิตใจบนบนหนักบอบพุกนี่นะครับโกลบเป็นพระนี่นะบางม่านเกิดตีตีเข้ามาอันตีตีนี่แหละครับมันทําให้เราหลงครับมันก็เลยหลงมาบิ่มความคิดอันนี้อีกตึ้นแลครับมันก็เลยไปเพลินไปสบายไปมีความสุขเบาเนื้อเบาหนังเบาแข้งเบาขาเบาจิตเบาใจมันเบาอยู่เนี่ยมันเลยมาขอใจจากอันนี้อีกตึ้งแล้วครับอันนี้แหละเป็นว่าญาติทีมีตีตีก็จะเป็นสอนญาติทีมีอุบาสฐานก็จะญาย่าีุมีอย่างทางเมี t นะครับ เห็นแล้วมันแล้วไปซื้อให้มาอยู่ซื้อๆนี่นะครับอันนี้คันเห็นแล้มันคนห้ามบอกได้เด็ดขาดมันมันเขอยากสบายอยากสุขนี่นะครับเนี่ยผมจะบอกปีตีนี่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมะให้เฮา ร, รู่ธรรมะเบื้องสูงไปครับมันเป็นอย่างไ น, นอันนี้มันเป็นปีตีในพระเอกินตายานกินตายานนี่ยผมรู้จักแต่ก่อนเมื่อผมมารู้จกักทันทผมรู้จักกินตายานครับอันนี้กินตายานนี่ก็คือการครับ ปฏิบัติธรรมมาแล้วมันเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้เห็นปะล้วก็เลยลืมมาเบื้องอันควม่มีทุกข์นี่แหะครับมันก็เลยที่เป็นบ้าไปก็ได้ได้ครับอันเรื่องมุ่งนี่ยมันเป็นอาการเลยครับอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายๆครับบัดนี้ผมมาปฏิบัติไปพอดีตอนเศร้าพี่นะครับบัดนี้ผมมาเดินจมคมมย่าไปย่างมามันก็เลยความคิดมันก็เบาไปเบาไปความสุขอันกว่พอใจมันก็เบาไปเบาไปลดน้อยไปมันมาเบื้องความคิดที่อึดอัดแหละครับบัดนี้ มาเบิ่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเบิ้งอยู่ที่ละกิเลสกันเอาประทานกับมันเบิ้งอยู่ที่ครับเบิ้งติ่งเบิ่องอย่างอยู่ที่นะ่มันปกติเป็นเบิ้งอยู่ที่มันก็เลยมาเหตุผมคิดอีกตื้มครับมันเป็นอารมณ์นะครับเรื่องวิปัสสนาวิปัสสนาจึงว่ารู้แจ้งรู้จริงได้เลยครับมันเไ็นรู้จำมาจากจำหลักจำงานและเป็นรู้จำมาจากครูบาอาจารย์ว่าแม่นแท้ๆครับเรื่องนี้พูดเลยสิว่าแม่กับจำซ้างผมาผมบ๊วเชื่อครับผมเสื้อว่านผมเป็นแนวสันผมเสื้อาตามคนจริงผมเนี่ยครับ บาทนี้อันนี้จิตนต่างครับตอนเป็นนิหพานครับตอนเข้าใจาผมมาเดินจนกลมตอนเท้าครับมันเบาเมื่อคับตอนโตผมนี่ครับเบาค่ถคือหอ่อคือลอยไปนี่แหละครับเบาเมดมันขาดไปเมด่อส์มันคลายคลายคลายคือว่ามันไม่มีอย่างทั้งเมืมันเห็นชีวิตเห็นจิตเห็นใจเห็นทุกซึ่งทุกอย่างครับอันเนี้ยนี่ผมมาปเป็นอดีตคันว่าไปตามข่าวตัวหนังสือในปะระอด็นอาการเกิดดับ ผมเห็นอัน <interpret> น <ations> ี้อาการเกิดดับทันทีแรกนั้นผมปฏิบัติทับทีมนั้นผมพลิกมือขึ้นมันเกิดคว่ำบนลงมันดับผมเข้าใจอย่างตับทับครับแล้วกลับความคิดมันคิดขึ้นมาเนี่มันเกิดมันหยุดคิดมันดับมันพิกตาจนนี่มันเกิดมันทับตาแล้วมันดับอันเริ่มหายใจคือมันเป็นเกิดเป็นดับเป็อันนี้โบเมนครับมันแมนแต่ผมเราของเขามันหู่จักน้อยครับตอนผมมาหุ่จับขาดเกิดดับนี่ครับตอนเตาครับผมเดินไปเดินมันหลุดออกไปมัดครับ นี่ผมมาหู้จักพระพุทเจ้าตัดผมเื่อเดียวนี่ครับพระพเจ้าตัดผมเพื่อเดียวว่าฉันผมรู้จักอันนี้แทๆ้ๆรับรองร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยครับอันนี้ครับโอ้ธรรมชาติกดเกินของมันมันเป็นยงังสีมันก็ได้หนีเจ้าของไปเหตุถ้ามันมีขึ้นมาเงื่อนอนเวอร์ตันหาคือความยากครับที่เลิสตันหานี่มันเป็นยังสีครับยังคนยังรู้จกักค่ะแท้ๆได้ครับอันนี้รู้ จ, กจักคือนบส่วนใส่พวกนีดด้ครับอันนี้มันหมดครับมันเป็นปกติคือธรรมชาติมันเป็นอยู่ยังสั้งครับ มันก็ะเบืงยาวเนี่ยมัเป็นอางนัอยู่ตามธรรมชาติมันเป็นตามกฎเกณฑ์ของมันแค่เด้กๆขับอันนี้อันท้าพระเยซูตัดเอ่ออันท้าพยซูตัดผมเอาดาบตัดนั่นมันยาออกไปโบเตทนนั่นมันค่าสองข้อมืออยู่ตามเดิมนั้นเอ้ยอันนั้นมันขำเ้าคุณเรียนมาเว้าดอกครับอันนั้นะอันนี้โบเทนอย่างนั้นรับรองอันนี้ะมันปากโบออกรับขันว่าขันหูแล้วให้ปิดปากเราดันมันโบเทนปิดปากเว้าครับมันเว้าให้คนฟังคนมีปัญญามันรู้คนที่มีปัญญามันบะรู้รับอันนี้ ผมก็เลยรู้จักอันนี้มันมีหยาดขึ้นขึ้นว่าเมื่อถึงที่สุดแล้วมันมีหยาดเกิดขึ้นเยานบอกงอมมี้เป็นว่าเป็นตมหนังสือบอกเนีบาอุบาจังก็บอกนี่ยมันเติมได้ครับที่มันเติมแล้วยังรู้จักได้หยาดนะครับมันเติมจากก่อนมันหลุดมัดจาก่อนครับแล้วก็มันก็รู้จักว่าว่าแท้ๆนะครับมันเกิดขุมรู้ขึ้นมาจากภายในจิตใจจิตํานึกจริงๆครับอันนี้ได้ว่าหยาดปัญญาก็ได้หรือว่าวิปัสนาหาดก็ได้หรือว่าที่ว่าหาดนังไก็ได้มันเลยรู้จักขึ้นมาว่าทราบขึ้นแแลล้้้ววน ผมมาจันยุติจบแล้วกิจอื่นไม่มีแล้วเม็ตเทนี้แล้วกิจในพุทธศาสนาอะไรต่างมันรู้จักจริงๆครับเรื่องนี้รับรองร้อยเปอร์เซ็นครับคำถ้ากูจะลองที่อข่าว่าพูดอวดอุจาริมนุษย์ศาสตร์ทำนี่ว่ากระทำแล้วครับผมว่าความจริงผมเป็นอย่างนี่ครับนี่ครับมันเป็นอย่างที่เรื่องเกิดความสุขเนี่ยว่มีในโลกเลยมีเงินร้อยล้านพันล้านแต่ซื้อกับพ่อท่มันเกิดความสุขอันนี้เพมัภูมิใจมันเลยมลืมมาเบิ่งอันนั้มันมันแห้งมันหมดนี่ครับอันนี้มันเป็นวิปลาส ผมก็ไปเจนังการนี้ประมาณจักสามี่ห้านาทีคุณโอบะแมนแล้วอันนี้วะสันจนแลกลับมาเบื้องอันที่มันแห้งมันจืดนี่ค่ะบจนแลมาเห็นโอ้อันนั้นมันเป็นวิปลาสเด้อวะสันผมเลยหัวใจวิปลาสครับดังนั้นผมจึงสามารแก่วิปลาสแก่วิปัสนาแก้จินตญาณไรเพอผมหู้จักแน่ครับมันไม่หัวจักมันจะแก้เต็เนี่ยครับมันต้องหู้จักสะก้อนอย่งว่ามันต้องหู้จักสะก้อนตอนเป็นวิปัสนูนี่ให้มันเป็นค่ะเขาไปส่วนมันว่ามันขุยมันรดน้อยแล้วก็บรปฏิบัติก็ได้มาคอยดูผ ตอนเก้ยิปตะโนนะครับมันหัวจับเป็ตัวมันหันมันเน่มันตียงมันเคลื่อนมันไหวให้มันมาเบิ้งลูกกายได้ยันเดิเบิ้งใจครับคำเบิ้งใจโบได้ยิปตะโนนี่ครับให้มันเบิ่งการเคลื่อนไหที่มองเห็นจับทุกด้วยมือนี้ครับอันนี้เป็นปัญญาแก้ยิปตะโนครับอันนี้ตอนแก้จินตญาณเน่ก์ให้มันมาจับตัวเฮานี้ให้ห้องหัวมือแล้วครับเบิ้งความคิดนั้นอย่าไปเบิ่งความสุขอันนั้นอย่าไปเบิ้งความคิดทังนั้นอันตอนเป็นมุนีมันต้องหัวจับสิบาตนี่คนมาเพ่งความคิดเ้ื่อง ตอนปฏิบัติตอนที่เป็นจินตยานตอนที่มันหูประลมัดเนี่ยเท่งเข้าไปมันมืดมันไม่เห็นเนี่ยครับมันมืดตึ๊ดอยู่ในใจครับมันรู้จักทางไปบ่าทางสักกได้ครับบัดนี้มันหัวนี่มันมืนขึ้นมามันหนาหน้าหนาตาแน่นหน้าอกครับบัดนี้พวกนี้มันเท่งครับแต่คนผู้ปฏิบัตินั้นขาเจะาบูรุษจักว่าเขาเจ้าเท่งเลยครับผมก็เป็นมันครู้จักแล้วบันี้เอาเบิ้งไกลๆครับเบิ้งไกลๆแต่มันคิดให้หัวมือแต่เอาจับตัวเอาไปให้หัวมือ ดังนั้นคิ้องหุักเบื้องไกลไกลคุณรับเบื้องแสงตาเบื้องไกลไกลเบิ้งไกลไกลมันออกจากบอลมันมึนมันติดมันมึนมันแน่นหน้าอกมันยากไปเบิ้งมันเบื้องมันหาเอาแสงตาเบิ้งไกลไกลมันคิดปึกเห็มพักรู้ว่เห็นกับตา้งตาของมันครับแล้วก็ học กำมือเยียดมือเดินจมกลมนั่งให้จังหวะอันตราตามหลักให้มันรู้แล้วก็เบรงไกายให้มันเห็นมันคิดการมันเห็นครับมันขอยลดไปลดไปลดไปอันให้ทั้งซี่ครับตอนแก้ที่มันหนักอกหนักใจตอนแก้จิน้มแย่างต้องแก้รูปนี้ครับ แกจะให้มันลืมความคิดครับอันนี้ครับตอนแกจิตยานอะไรบ้ามากครับแกมันกับว้าหลเด็ดขาดแบบอันว่าให้การซื้อนี่มันมันกระจำได้ครับเจ้วันตอนไปแก้มันมาแก้มันหักมีคนเว้าครับเมื่อไปสัมผัสเรื่องขอผู้จักเองครับเพขางผู้นู้น่ของเป็นนี่ครับเของผู้จักเลยโอ้โหพวกนี้เป็นอย่างดีแล้วเดี๋ยวนี้เนีขาต้องแก้ตามรูปของผู้เป็นครับแต่แน่ว่าเขามีคนสามารถแกจะให้ถูกได้เขาจะไปสอนผู้อื่นต้องรับรองได้จริงๆรด้เครับ ผมรับรองได้แต่แท้ได้ผพนะครับจะไม่จิว่าคุยได้เนี่ยจะไม่นคนอวดดีได้เนี่ยครับคนมีดีเอามาว้าวได้เนี่ยคนคนมีนี่นยเอามาว่ว้ฝังซื้อๆนี่ยเขาบมมอกว่าอ้วดดีได้อันคนอวดดีนั่นแต่ว่าวแวกๆอยู่ขนาดเปลีป่ยนจอยวับผมเห็นครูบาอาจารย์แก้กันเียโอ๊ยม่แกแต่บ้ า, า, าๆบอกจนไหนผมก็ไปฟังแต่ผมหักบอกบอได้ว่ากับขัดใจครับอันนั้นคนอวดดีครับอันนั้นคนอวดดีว่าซื้อ ๆ, ๆอันนั้นแกเปลยนเนี่ยนะครับในป้อยเขาเปลี่ยนป้านผมได้แกหลายคน นี่มันเป็นอย่างครับตอนจะมีประลาสครับวันนี้มันแับจะตีเสียเลยครับมันจะติดความสุขมันไปติดความว่ามีตัวนี้มันก็มีที่พึ่งครับผมก็เลยสมมุติให้หมู่ฝั่งลายเถื่อรื่องนี้คลายคล ค, คือเขาข้ามหองข้ามห้วยข้ามหองเนี่ยครับเขาเอาไม้ไปก้ายลาเดียบผมเคยข้ามนํามีครับผมคิดถึงนํามีอันผไปปฏิบัติข้าเจ้าไม้ไผ่ค่ายค่ายไปเลยเห็ดหาวบัด น, นี้นามีมันกวางในไทยข้าเจ้าตัดมันแล้วอไปมัดจุกัน มันก่มีหาวจับมันง้อมาตกหลงน้ำมีปุ๊บหลุดผมเข้าใจนะมันนี่มันมีหาจับอยู่สองข้างมันง้อไปทางพุ่งก็มีหาวง้อไปทางพี่ก็มีหาวก็จับหาวไปจว่าอาดใส่อารมณ์ครับตอนกจริบใจดิบประหลาดครับให้เขาเจ้าหูวจักรูปน <ük Evet. S 1> ้ําให้เขาเจ้ารู้จักความคิดให้ให้ข้าเจ้าหัวจักอารมณ์ปัะมัดที่ทําอารมณ์เปิดกับใจเขาเจ้านั้นให้ข้าเจ้าให้มาเบิกอารมณ์ข้าเจ้านี้อันนี้ครับทำข้าเจ้าวางอารมณ์รูปน้ํา วางอารมณ์ปลามัดวางอารมณ์ทำอารมณ์เกิดกับใจ น, นั้นน่ะเขาจะไปติดกลมจุกนั่นมันเป็นนิปรัติถ้ามันเป็นคนลืมโตครับอัมันที่เป็นบ้าครับอันนี้เขาต้องเป็นทางการครับแล้วทุกคนเนี่ยครับไม่เป็นน้อยกัเป็นมากหรอกครับผมก็เป็นแต่ผมกักมันโชคดีซื้อผมผมมาโชกผมดีครับโชกดีจังไจโย่พอดีมันเป็นไปแลผมลืมผมไม่ได้มาเบิ้องอันอารมณ์ทำอารมณ์เกิดกับใจผมไม่ได้มาเบิ้องอันนี้พี่นะครับ ผมผมว่ได้บบงอับนมันแห้งมันจืดมันหมดเนี่ยอันมันเป็นปกติเนี่ยผมนึกว่าได้แบบเบือันนี้ผมปกติขมสุกอยนะครับบ้าผมมาสมมติตัวได้ผมกลับมาบื้อันนี้โอ้อันนั้นมันมาลอกหลอกแกล้งหรือเราเป็นปีตีกับแกล้งเราไปติดอันนั้นเล่นมันงก็เลยแมลเป็นหมดครับมึงคนลืมโตไี่ครับอันนี้แหละคนว่าคนลืมโตนั่นคือคนตายแล้วคนว่าตายแล้วจะไหนเจ้ามันบุญู้จากโตเองกับคนลืมโตตลอดคนตายได้มันเอามันหนดออกไปทิ้งได้อันคนตายเ่อทัน มันลมหายใจได้ครับคนเป็นบ้านนี่นะครับมันพูดซั่วมันทําชั่วมันคิดซั่วมันไม่มีอายครับอันนี้เป็นมาเร้นคนตายนะครับจะมาเขาจาสุดไปตายอย่างสั่นครับถ้าหากไปตายอย่างสั่นแล้วก็มันหมิดแล้วครับมันเปียกแตะมันเหนาครับแล้วขออนุญาตนะครับบางคนมันบุกอยากมีใครๆเป็นตัวหนอดนะครับมันอยู่กับอุจจาระมันอยู่ที่เน่าที่หมิดนะครับผมเคยเลี้ยงป่วยครับบ้านผมเลี้ยงป่วยป่วยเป็นบ้านผม เอายาไปใส่คอผมบอกให้เอายาไปใส่เอาใบยาเนี่ยไปตำโค่พ่อกระปูนแล้วเอายาเิ้นเขานี่กระปูนเนี่ยตำเข้ากันแล้วเอาน้ําไปสุตรยาตสวบาดเขาตัวน้ำมันไหลออกมาเองครับบางตัวบางตัวมันพอเอาไม่ไปเคี้ยวออกแล้วมันบริยากออกมามันลุ้นเข้าไปไหนคุณครับตัวนอนมันดูนําคีมเน่าๆนั่นเนี่ยครับเอายาไปงใจนมันตัวนอนมันไหลออกมาอันนี้ก็คือกานครับการเขาสอนดีๆได้มันบรอยากเสื้อครับคนเนี่ยเขาบอกให้มันปฏิบัติจนที่มันบรอยากเอาครับ มันสุกอันเพราะว่ามันสุกแบดหนอนอยู่ ว, ว่นหนาวๆครับแบดหนอนอยู่ ว, วันหนาวๆอันคนเปน็นนางหลักหูหลับตาอยู่นะแต่คือกันครับผมเข้าใจอย่างสิครับตอนนั้นผมรู้จักอย่างสิคือผมเปน็นนางครับนางคนสงบเนี่ยผมว่าผมผูกต้อนจริงๆเลยครับไอที่ว่าใส่กาะเกงบูชอผมว่าผมอู้สบายบา้าแต่สู้อารมณ์ข้างนอกมันจะสู้บอดาครับอันเมื่อนั่งอยู่นั้สงบจริงๆครับบ้าแต่ถือคนว่าให้ อย่างการนาฬาเกิดก um ัวกันเลยมัได้เบื้องความคิดนี่นะคะมันไปติดตัวความสุขคุณนะครับอย่าไปเบิ้งมันความสุขไปเดี๋วมาเบิ้งความคิดพี่ครับเนี่ยอันเรื่องความโกรธความโลภความหลงนั้นมันดับเบิบนี้ครับเขาลืมเบื่องเบิ้งนิสิเบื้งจิตเบิ้งใจหรือเบื้องซื้อนี่นะครับเขาไปติดความสงบคุณนะคะบ้านหามาเบิ้องโตมันนึกมันคิดไปเจ้าคนสงบมีกระตัมๆบมมีกระตามของมันแล้วครับขอมันสงบโยงซีครับมันเนี่ยมันสบายเนี่ยครับอันนี้แหละวาคนเป็นบ้ามันบู้จากบ้า คนปฏิคมสงบเลยเพราะจากคนสงบครับคือนอนนี่ไงว่าครับนอนเนี่ยมันเชื่อว่าอันอาหารของมันอันมันนน่องเม็ดเม็นั้นแล้วครับบเมนี้คนรู้จักอาหารน่อน่องเม็ดเมันก็บอกินแล้วครับมันก็กินอาหารมันโดนน่องโดนเม็ดกินแล้วครับคนรู้จักคนสงบเยอะที่เป็นนั่งให้นั่งครับนั่งก็ได้บนั่งก็ไดมันก็สงบอยู่พี่แล้วเอกว่ามันบุญนี่ครับมันมาเห็นพี่ครับบดี๋ยไม่เป็นนั่งให้มันสงบจําสั่งครับอันเปนั่งสงบนั่งก็ดีอยู่กับบด้วารบาบูดีก็ได้ครับ มันดีแบบนั้นดีแบบคนบุกหุจักครับดีแบบบุกูจักแต่ะว่าอันคนสงบนี่มันจึงมีสองแบบครับสงบแบบหนึ่งนันสงบแบบบุกหุจักมิ่งสงบแบบหนึ่งนี้สงบแบบเห็นแจ้มแต่เอิญมาส่งคือกันแล้วผมก็เลยว่าบุแม่นสงบอันเนี้มันเห็นแจ้มมันรู้จริงมันเข้าใจจริงผมก็เลยว่าจริงๆแล้วก็มันยังแน่งคนสงบอยู่คือเก้านั่นแหละครับนี่มันเป็นอันอันที่ว่าให้ฟังการแก้เรื่องนิพจน์นิพสนานี่ให้เข้าใจจริงๆครับ ริพัสนานะ่นแต่ว่าเห็นแจ้งรู้จริงริพัฒนูนั้นจิตใจมันหู จ, จักแต่เพียงว่าบนลงแต่บางคนยังทาซัวได้ได้รับทาซัวได้อยู่ผมเห็ น, น, นครับคนมาปฏิบัติธรรมจากผมนี่แหละครับแต่ก็บอกว่าคน น, น, านั้นคนนี้เหรอครผมเห็นผมเลิกได้จริงๆครับเรื่องคำมากเรื่องก๊อกยาเรื่องกินเหล้ากินยาให้มาอาบายานิมกตก็ผมเลิกละได้จริงๆครับคนมาปฏิบัติธรรมบางคนเนยมันรู้ครับรู้แล้วเว้าได้ แต่มันสุกออกไปครับในเป็นภาพเป็นมีกับไปสุปยาคือเกลาไปกินเล้าคือเกลาครับอันนี้แหละผมก็เลยว่านี่อันคนเฮกซัวกันกับผมก็เลยถามมู่หลายคนนู่ครับอันไปกินของซัวซได้ดีมีผู้ใดแดาผมว่าแลวบางคนเขาจะกัจวกผมเห็นเป็นหมาอันแน่ว่าผมวา่าหมาเนี่มันห้าเอาหมาแล้วมันไปกินอีกตื้อแค่คนที่มันบวกินครับคนห้าเอาหมาเาห้าเอาหมาแล้วผู้ใดไปกินห้าตัวเองในพวกหมีครับผมก็เห็นครับเที่ยวหมาเนี่มันห้าเอาหมาแล้วบ้านผมนนมันกลับคือไปกินห้างมาอีกตื้ คนเนี่ยขันธ์ จ, กจักจริงๆได้มันต้องคืนไปเฮ็ดครับผมจิว่าเลิกละได้แต็ดขาดผมบวยเหตุแต่ผ ม, ผมพะท้องใจสะดุดใจครับนี่ยังหล่าคนเป็นวิปัสสนาเนีน่สามารถกินเหล้วก็ได้สูบยากก็ได้เป็นอย่างนั้นมันถือะ น, นั่นเป็นความสุกจึงเนี่ยครับมันเป็นสมเป็นมันวาวเป็นแต่ ม, มันทาซั่วได้อันนี้แหละครับที่ผมนํามาเล่าให้ฟังนี่แล้วก็พยายามเอาไปนึกไปคิดไปพิจารณาเองครับเป็นว่าสมควรแกร่เวลาแล้วนี้ก็ได